วิปัสนานุบาลผู้ประพันธ์ดังตรินพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเมษายน2547สบฉบับบันทึกเสียงอ่านโดยอลิสาชัตรานนท์วิปัสนานุบาลคำบรรยายปกหน้าคู่มือชั้นอนุบาลเตรียมสารถึงปริญญาสาขาเห็นโลกตามจริง เพื่อทิ้งนิสัยห่วงทุกข์เสียทีคำบรรยายปกหลังหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อยากละลายทุกข์โดยไม่ต้องทิ้งสิ่งที่กำลังมีอยู่ไม่ต้องหันหน้าเข้าหาวัดและไม่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมหากคุณยังไม่ทราบว่าวิปัสสนาเป็นสูตรอันเปิดเผยไปทั่วโลกและพิสูจน์ว่าได้ผลมาหลายพันปี ในอันที่จะช่วยให้คนเราเลิกเป็นโรคคิดมากได้สงบเย็นข้ามกลางความวุ่นวายรอบตัวได้ก็ขอให้ลองเข้าชั้นเรียนอนุบาลวิปัสสนากันดูสารบัญหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด7บทดังนี้คำนำบทที่หนึ่งวิปัสสนาคืออะไรบทที่สอง เขาเริ่มทำวิปัสสนากันอย่างไรบทที่สการฝึกหายใจเพื่อ ย, ยกระดับสติบทที่4เครื่องทุ่นแรงให้เกิดความต่อเนื่องบทที่หเปลี่ยนปงปัญหาเป็นเครื่องมือบทที่6ปฏิกิริยาทางใจบทที่เเกณฑ์วัดว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาหรือยัง คำนำวิปัสนาอนุบาลเป็นคำสนทิระหว่างวิปัสนากับอนุบาลหมายความว่าเนื้อหามุ่งกลุ่มผู้เริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมภาวนาอาจจะยังไม่เคยรู้อะไรเลยหรือเคยได้ยินคำว่าวิปัสนามาบ้างแล้วแต่ยังไม่กระจ่างแจ้งนักว่าคืออะไรต้องเริ่มทำอย่างไรขนาดของหนังสือ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 เปลี่ยนยากเป็นง่ายเปลี่ยนเครียดเป็นสบายเปลี่ยนภาระเป็นของเล่นเปลี่ยนสงสัยเป็นเข้าใจและเปลี่ยนซับซ้อนเป็นเรียบง่ายชนิดที่ว่าหูยังไม่ทันเงียไปทางอื่นก็อาจเริ่มเห็นอะไรขึ้นมาเ ล, า, เลาว่านักวิปัสสนาในวัดหรือในป่าเขาเกิดประสบการณ์กันอย่างไร แม้หน้าที่ของหนังสือจะเป็นไปดังกล่าวข้างต้นก็ขอทาความเข้าใจไว้ตรงนี้ว่าหนังสือเองไม่มีความสามารถทาให้ผู้อ่านกลายเป็นนักวิปัสสนาขึ้นมาด้วยบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแต่ขอรับรองว่าถ้าเข้าใจวิปัสสนาจริงๆแล้วก็แม้ไม่หวังก็จะรู้จักความสงบที่น่าอัศจรรย์แมไม่หิวกระหายก็จะได้ลิ้มรสแห่งสานติอันประหลาดลำ้ำ เพียงสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายและเครื่องร้าวให้เร่าร้อนก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตแล้วไม่ใช่หรือลงชื่อผู้เขียนดังตรินมีนาคม2547บทที่1วิปัสสนาคืออะไรถ้าจะเอาเป็นคำแปลวิปัสสนาแปลได้หลายแบบ แต่ถ้าถามว่าวิปัสสนาคืออะไรเอาคำตอบชนิดสื่อใจถึงใจก็ต้องว่าวิปัสสนาคือเห็นตามจริงลองนึก ด, ดูคำว่าเห็นตามจริงทำให้คุณมีปฏิกิริยาทางความรู้สึกเป็นอย่างไรคุณนึกถึงอะไรจากการฟังคำว่าเห็นตามจริงบ้างหนังสือเล่ม น, นี้เขียนเป็นภาษาไทย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 อาจลามล้ําไปถึงขั้นต้องพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเบ่อเบืะคือมีความคิดเกลียดผิวอยากทําร้ายกันอยู่ในปัจจุบันจุดหมายของวิปัสสนานั้นคือเห็นตามจริมเพื่อเป็นอิสระจากอุปทานลวงใจทั้งปวงเป็นไทยแก่ตัวไม่ถูกครอบงําด้วยอํานาจมืดของความหลงผิดเราจะไม่ตระหนักว่าอันตรายของความหลงผิดมีมากมายปานใด จนกว่าจะต้องทุรนทุรายทรมานกับผลลัพธ์บางอย่างที่สร้างขึ้นมาเองจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถไปถึงความจริงของชีวิตเช่นเราไม่จําเป็นต้องรบกันเพราะความเชื่อหรือเราไม่ต้องทุกข์เพราะความคิดก็ได้และย่อยมาถึงเรื่องดัดดาบประจําวันเช่นแค่ทิ้งงานไว้ที่ออฟฟิศก็ไม่ต้องคิดเครียดมาถึงบ้านแล้วเอาละ่ะ เป็นอันว่าพอรู้คร่าวๆแล้วว่าวิปัสนาคือเห็นตามจริงเพื่อหลุดจากอุปทานและหลุดจากอุปทานได้ก็ไม่ต้องทนทุกข์เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องทีนี้มาถึงคําถามสําคัญว่าการเห็นตามจริงนั้นจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายในการเห็นคงทํานองเดียวกับเรารู้แล้วว่ากําลังจะรบทับจับสึกเพื่อพ้นจากการเป็นทาสแต่ศัตรูคือใครละ่ะ พวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะเราจะเจอได้เมื่อไหร่ล่ะคําตอบสำหรับผู้ใคร่คิดทำวิปัสนาที่บ้านเป้าหมายของการดูให้เห็นตามจริงก็คือทุกสิ่งที่ทำให้เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นโดยไม่จำเป็นอะไรบ้างที่ไม่จำเป็นแต่กลับทำร้ายเราได้ราวกับศัตรูลองถามตัวเองว่า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 คนเรายึดมั่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจนทุกข์หนักได้อย่างเหลือเชื่อเพียงใดแต่ความจริงอันน่าตรน ก, ก็คือแต่ละวันเราอาจยึดมั่นสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้ถึง9้าเรื่องจากทั้งหมดสิบเรื่องบางครั้งบางคราวคุณอาจยอมรับกับตนเองหรือบ่นกับใครๆว่างโง่เหลือเกินที่ยำคิดยากลุ่มกับเรื่องเลวหลายไร้สาระหรือเรื่องที่ประิ๋วแต่รู้ทั้งรู้ว่างโง่ ก็หยุดคิดไม่ได้เอามันไม่อยู่กู่สติไม่กลับขอเพียงรู้จักวิปัสสนาอย่างแท้จริงการรู้จักนิยามของวิปัสสนาอย่างแท้จริงคือขั้วแรกและกั้วแรกก็คือการยอมรับตามจริงผ่านการไครครวนด้วยความคิดธรรมดาธรรมดาว่าสิ่งใดควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้สิ่งนั้นย่อมไม่ชื่อว่าเป็นของเรา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 ผู้คนทั้งหลายหายใจเข้าออกเพื่อรับใช้กิเลสอันก่อเหตุให้ทุกข์มากทุกน้อยและอาจจะตายตามไม่หลับไปพร้อมกับความทุกข์ที่ขาดกินหัวใจมาตลอดชีวิตต่อเมื่อรู้จักนิยามของวิปัสสนาและเห็นว่าเพียงเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเสียใหม่ตามหลักวิปัสสนาก็ไม่ต้องย้ายร่างไปที่ไหนไม่ต้องทำพิธีรีตองอันใดความสุขก็ปรากฏขึ้นแทนที่แล้วขณะยังมีลมหายใจ ก่อนจะตายไปพร้อมกับความไม่รู้และต้นเหตุทุกครั้งใหม่ๆสรุปวิปัสนาคือการเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งทั้งข้างนอกและข้างในเราไม่เที่ยงบังคับควบคุมให้เป็นไปตามอยากไม่ได้เพื่อปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดพ้นจากบุปทานครอบงำให้ทุกใจกับเรื่องที่ไม่ควรเป็นภาระของเราหน้าที่ของผู้ปฏิบัติวิปัสนาคือ แค่เปลี่ยนมุมมองเสียใหม่จากนักเรียกร้องนักต่อสู้บูชาตัญหาและนักสําคัญตัวผิดมาเป็นคนดูคนรู้คนต่อสู้เพื่อบูชาความจริงตามสิ่งที่ปรากฏแสดงเสียแทนบทที่สองเขาเริ่มทงวิปัสสนากันอย่างไรนักวิปัสสนาที่ดีจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง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 ที่เรากำลังอยู่ในวิปัสสนาลองนึกถึงคําว่าได้สติดูคานี้ทำให้คุณนึกถึงอะไรขอให้เอาตัวอย่างจากชีวิตประจำวันของตัวเองบางคนอาจนึกถึงการเหม่อลอยขณะขับรถก่อนจะเหม่จนพารถตกถนนก็เกิดสติว่ากำลังขับรถเลิกวาดวิมานในอากาศ หรือหมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องนอกถนนเสียได้เป็นต้นณจังหวะปัจจุบันของวิสนานุบาลขอให้คุณนึกให้ออกว่าการได้สติสำหรับคุณหมายถึงสิ่งใดมันอาจหมายถึงการรู้สึกตัวว่าขณะนี้คุณกำลังฟังวิงสนานุบาลและตั้งคาถามถา ม, ถามตนเองอยู่ก็ได้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 ถ้าหากคุณรู้สึกงงๆสงสัยตั้งคำถามหรือคิดควานหาคำตอบอยูแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะความรู้สึกนั้นแหละที่เราต้องการสภาพงงๆตื้อตื้อ ต, ตันๆไม่รู้จะดูอะไรสงสัยว่าทำกันท่าไหนนี้ทางวิปัสสนาเรียกว่าเป็นเครื่องขวางความก้าวหน้าหรือมิวรชนิดหนึ่ง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 แปล ว, ว่าวินาทีนั้นความสงสัยหายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยสติรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกเมื่อสติหลุดจากความรับรู้ลมหายใจความสงสัยหรือใครรู้ก็จะกลับไปอีกตรงนี้คือจุดให้สังเกตความต่างระหว่างภาวะสงสัยกับไม่สงสัยได้ นาวินาทีที่คุณบอกตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกได้นั่นเองให้สำรวจดูเธอภาวะเดิมคือความสงสัยที่กระเดียดไปในทางอีกอาจเป็นทุกข์จะแปลเป็นภาวะใหม่คือความหมดพวงอันกระเดียดไปในทางปลอดโปร่งเป็นสุขเพียงเมื่อเห็นว่าภาวะที่กำลังสงสัยกับภาวะหายสงสัยชั่วคราวแตกต่างกันอย่างไร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 คำตอบคือทั้งหมดที่เป็นส่วนของกายและทั้งหมดที่เป็นภาวะทางใจล้วนแล้วแต่ถูกรู้ด้วยสติแต่วิปัสสนาได้ทั้งสิ้นแต่บอกแค่นี้ก็จะงงอีกคืองงว่าจะดูกายใจทั้งหมดได้อย่างไรเหมารวมทีเดียวเลยหรือคำตอบคือให้แยกดูเป็นส่วนๆก่อนเพราะการเห็นทั้งหมดในคราวเดียวไม่มี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 เห็นความไม่เที่ยงตามจริงได้ด้วยอย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนคือแค่เรารู้ธรรมดาธรรมดาว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกตรงนั้นเรียกว่ามีสติเมือ่อใดมีสติเมื่อนั้นความสงสยัยและความฟาุ้งซ่านย่อ <Picasso> มถูกแทนที่ได้ชั่วคราวดังนั้น จึงน่าปลุกฝังความพอใจในการรู้ทันว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้มากเพื่อแย่งพื้นที่ของจิตเอามาให้กับสติมากกว่าการปล่อยให้ความสงสัยและความฟุ้งซ่านครอบครองไปเมื่อใดใจฝักฝ่อยู่กับลมหายใจคุณจะรู้สึกว่าอาการหลุดหายไปจากโลกนั้นกินเวลาสั้นลง และจิตยอยู่ในสภาพพร้อมจะไปรู้รายละเอียดส่วนอื่นๆของกายใจมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่คือไม่สามารถปลุกปังความพอใจหรือกระทั่งเตือนสติให้ตนเองเข้ามารู้ลวมหายใจหรือรายละเอียดอื่นๆในกายใจได้ง่ายไดนะักบทต่อไปจะเสนออาวุธที่จะใช้ในการขจัดอุปสรรคข้อนี้สรุป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 ก็เปรียบเหมือนผนังกั้นแบ่งภาวะสงสัยกับภาวะไม่สงสัยแยกเป็นต่างหากจากการให้รู้ได้ง่ายแล้วบท ต, ต่อไปจะกล่าวถึงอุบายเบื้องต้นเพื่อทำวิปัสสนาให้ได้ต่อเนื่องและเราจะฝึกการระหว่างอ่านหนังสือนี่เลยทีเดียวบทที่3การฝึกหายใจเพื่อยกระดับสติบทนี้เราไมา่ยกระดับสติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง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 และมีความโน้มเอียงว่าจะเป็นลมชั่นทั้งนี้ก็เนื่องจากสติของคุณใช้ไปในการตามฟังวิพพสนานุบาล น, นั่นเองแต่มาถึงตรงนี้จะเห็นว่าทันทีที่มีข้อความสะกิดให้สังเกตลมหายใจของคุณจะยาวขึ้นทันทีทั้งที่หูไม่ได้เงีย้ยไปฟังทางอื่นทั้งนี้เพราะเมื่อมีอะไรมากระตุ้นให้เกิดสติระลึกถึงลมหายใจสตินั้น จะปรุงแต่งลมให้ยาวขึ้นโดยอตัตโนมัติตรงนี้ขอให้สังเกตด้วยว่าในทางกลับกันคนเราจะมีสติรู้ลมหายใจก็ต่อเมื่อลมยาวเท่านั้นแต่ลมสั้นไม่ค่อยรู้หรือไม่รู้เอาเลยระหว่างที่ฟังในจังหวะนี้คุณหายใจเข้ายาวหรือว่าสั้นยาวคือรู้สึกบอกตัวเองว่ามันลากยาว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 เมื่อทราบว่าเมื่อสักครู่นี้หายใจยาวหรือสั้นลองถามตัวเองอีกทีว่าในช่วงเวลานี้ยังยาวอยู่หรือไม่อย่าเสียใจถ้าสั้นลงอย่าดีใจถ้า ย, ยาวขึ้นเพราะแนวปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรผิดหรือถูกมีแต่เห็นว่ากำลังปรากฏอะไรให้สังเกตรู้ตามจริงเท่านั้น จะเห็นว่าคุณอาจพักจากการฟังชั่วแวบเล็กๆ เ, เพื่อรู้ลมหายใจได้โดยหูแทบไม่ต้องเลิกฟังเสียงนี้กล่าวคือเมื่อรู้ลมหายใจสติอาจขาดไปจากถ้อยคําและความหมายที่มากับคําแต่พอรู้ลมเสร็จหูก็กลับมาเนี่ยฟังข้อความต่อได้อีกและสามารถรู้เนื้อความในหนังสือสืบเนื่องกันเป็นสายน้าด้วยการระลึกรู้ลมหายใจเป็นพักๆ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 นี่คือธรรมชาติการทำงานของจิตขอเพียงมีเป้าให้ปักใจลงไปเป้านั้นจะเริ่มชัดขึ้นตามลำดับเพราะใจฝักไฝ่กับสิ่งใดย่อมรู้เข้าไปในสิ่งนั้นนึกซึง้งและกว้างขวางตามเวลาที่ผ่านไปพอสติดีขึ้นก็ปรุงกายให้มีคุณภาพดีตามอย่างเช่นที่เห็นได้จากลมหายใจยาวกว่าธรรมดานี่เองเมื่อมาถึงจุดนี้ หากลมหายใจของคุณสั้นลงแล้วยังสามารถรู้ได้ชัดว่าลมหายใจกําลังอยู่ในช่วงสั้นแปลว่าจิตของคุณเกิดภาวะผู้รู้ผู้เฝ้าดูลมหายใจทั้งปวงแล้วกล่าวคือหายใจออกก็มีสติรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจยาวก็มีสติรู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้น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 หายใจยาวด้วยอาการพองหน้าท้องอย่างไรจึงสบายลอยลมออกจากอกอย่างไรจึงยังคงรักษาความสบายไว้ได้ในระดับเดิมอยู่อีกที่จังหวะนี้ขอให้สังเกตดูว่าความสบายนั้นมีอายุขายสั้นยาวเพียงใดบางคนอาจสบายแค่ช่วงหายใจเข้าบางคนอาจสบายแค่ช่วงหายใจออก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 เพื่อความตระหนักยิ่งยิ่งขึ้นว่าทั้งภาวะหยาบและละเอียดนั้นต่างก็เป็นสิ่งมีอายุขยทั้งสิ้นไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นควรอาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้เท่านั้นหากขณะที่ฟังเสียงอยู่นี้คุณยังรู้สึกว่าสติไม่ไปไหนยังคงปักหลักอยู่กับการรู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกรวมทั้งทราบด้วยว่า ความสบายเกิดขึ้นนานเพียงใดวัดได้ด้วยจำนวนลมหายใจกีครั้งตรงนี้เรียกว่าระดับสติพัฒนาจากการเห็นรูปประธรรมตามจริงเลื่อนขั้นขึ้นมาเห็นนามธรรมตามจริงด้วยแล้วการทำวิปัสสนานั้นสำคัญมากที่เราจะต้องเห็นทั้งรูปและนามเพราะถ้าเห็นรูปอย่างเดียวก็จะรู้ตามจริงส่วนหนึ่งแล้วยังไม่รู้จริงอีกส่วนหนึ่ง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 ภาวะรู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่นั้นไม่มีความน่าเบื่อไม่มีความรู้สึกอึดอัดหากฝึกระหว่างฟังบทนี้แล้วเบื่อหน่ายหรือรู้สึกอึดอัดขอให้ใช้ข้อความในช่วงนี้เป็นหลักตั้งต้นนับหนึ่งใหม่โดยการสังเกตว่าคุณตั้งใจหรือคาดหวงหังมากเกินรู้เล่นๆ่นสบายสบายหรือเปล่า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 ปัญหาคือหลังจากละอาการฟังเสียงนี้ไปก็จะไม่มีข้อความกระตุ้นเตือนใดๆอีกคุณต้องมีกำลังใจมากพอจะเตือนตนเองจึงจะอยู่รอดปลอดภัยบนเส้นทางนิัพสนาได้อีกปัญหาของมือใหม่คือถ้าพยายามไปรู้ลมหายใจมากๆแล้วจะเครียดปิดอัดหรือกระทั่งปวดหัวไปเลยสำหรับบทนี้ จะเป็นอุบายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเริ่มฝึกรู้ลมหายใจได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติที่สุดกับทั้งติดกั้นช่องทางที่จะทำให้เกิดความเครียดสับสนท้อแท้ลงเสียนั่นคือเราจะฝึกรู้ลมหายใจแบบไม่ต่อเนื่องกันานานรู้ทีวิธีที่หนึ่งอาศัยนาฬิกาปลุก เทคโนโลยียุคเราถ้าใช้ดีๆก็มีคุณทุกอย่างไปไม่เว้นแม้กระทั่งการทำวิปัสนาขอให้ซื้อนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาดิจิตอลแบบพกพาไปไหนมาไหนได้ไว้สักเรือนหรืออาจเป็นโปรแกรมนาฬิกาในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ระหว่างเวลาทำงานก็ได้ตั้งเวลาปลุกทุกสองนาทีไว้เมื่อเสียงดังครั้งหนึ่งให้ถามตัวเองว่า ขณะนั้นกำลังหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าหยุดหายใจอยู่ให้ดูตามจริงปลุกครั้งหนึ่งรู้ลมหายใจทีเดียวอย่าพยายามรู้มากกว่านั้นสติของมือใหม่มีความไม่สม่าเสมอเป็นธรรมดาแต่นาฬิกาปลุกมีความสม่าเสมอที่แน่นอนสองนาทีเป็นระยะเวลาที่ถี่พอจะทำให้เกิดสติอัตโนมัติได้ แต่ห่างพอที่จะทำให้ไม่เกิดความเครียดเมื่อทำไปเพียงไม่นานคุณจะสังเกตว่าตัวเองรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติขึ้นมาโดยไม่มีการเพ่งหรือคาดคันเอาความสงบจากลมหายใจเป็นพิเศษผลคือจะรู้ตามจริงว่าขณะนั้นลมหายใจเป็นอย่างไรอยู่นอกจากรู้ว่ากาลังหายใจเข้าออกหรือหยุดแล้ว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 อิริยาบถเป็นของติดตัวไม่จำเป็นต้องซื้อหาจากไหนหลักง่ายๆคือเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าหนึ่งไปเป็นอีกท่าหนึ่งให้หายใจแรงขึ้นกว่าปกตินิดหนึ่งและกำหนดรู้ว่าหายใจเข้ายาวเป็นอย่างนี้หายใจออกยาวเป็นอย่างนี้เอาแค่ครั้งเดียวและอย่าพยายามรู้ให้มากไปกว่านั้นสำหรับคาว่าเปลี่ยนอิริยาบถ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 ความรู้สึกทางกายโดยรวมทั้งหมดในขณะนั้นมีความสบายหรืออึดอัดสัารวจแค่นั้นถ้าหากรู้สึกเฉยๆก็ให้เหมารวมว่ากำลังสบายถ้าหากรู้สึกเฉยชาก็ให้เหมารวมว่ากำลังอึดอัดขอให้เปรียบเทียบดูว่าการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่มีลมหายใจสบายกับการเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่มีลมหายใจอึดอัด น, นั้นแตกต่างกันอย่างไร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 ว่าต้องหายใจกี่ครั้งปฏิกิริยาทางใจนั้นๆจึงสงบลงตอนแรกๆคุณจะรู้สึกค้างคาหงุดหงิดเบื่อหน่ายเหมือนไม่ค่อยมีแก่ใจอยากจะมานั่งนับลมว่ากี่ลมผ่านไปอารมณ์ทางใจถึงสงบระงับเสียได้แต่พอทําได้ ห, หนึ่งคุณจะเห็นว่าหนต่อต่ อ, ตอมานั้นง่ายขึ้นเรื่อยๆพอมีปฏิกิริยาทางใจแรง จะเริ่มนับลมโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดนั้นคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มฝักใฝ่สนใจลมเข้าออกมากขึ้นไปด้วยแม้ขณะกำลังว่างๆที่ยังไม่มีปฏิกูรยาทางใจใดๆปรากฏก็ตามสรุปอุบายอันเป็นเครื่องทุ่นแรงช่วยนัดเอาสติออกมาจากหล่มลึกในจิตใจเรานั้นมีได้มากมายสารพัด บทนี้แนะนำเพียงสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถนาไปใช้ได้จริงและจะเห็นผลรวดเร็วชนิดใช้เครื่องทุ่นแรงเพียงไม่กี่วันสติจะเกิดขึ้นจนคุณแปลกใจว่าของมันง่ายขนาดนี้ทีเดียวหรือคุณจะพบว่าเพียงมีสติระลึกรู้ลมหายใจได้บ่อยๆไม่ว่าถูกลากพามาจากอุบายแบบใดชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงออกมาจากภายใน มีผลกับความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดและเป็นฐานอันมั่นคงให้สามารถต่อยอดเป็นวิปัสสนาขั้นสูงๆขึ้นได้โดยปราศจากความยากลำบากด้วย